ท่ามเก็บเมียว่าเ่จะเอาของมาทำทำั้งกระทานนะอลจะขาืมนากี่ครัง้งว อยู่เคมบริจเจ้าค่ะอะไรจากที่นี่เยอะจเออนี้เนอะไรพัดลมเจ้าค่ะเมืองหนาวก็ใช้พัดลมใชเจ้าค่ะก็ลงอาเน่เยงแนั่กพัดลมกันพัดลมอะไรเจ้าค่ะโอ้อนมาเพิ่มรายจะร แล้ว <l acht> เอาผมใจแบบานตนทสัก้ขอยู่ไกลมจะได้ยินหล่ะถอยเข้าป่าถอยเข้าป่าไปเลยเวลาไปฟัง ห ล, ลัมเราเห็นแต่แก้งกันเข้าหน้าเราไปหาพระไปแก้งกันเข้าหลังโอ้ไปหาพระจะละความโง่นี่จมีแต่ความโง่ทีไปหาพระพระสอนในโง่พระบอกในโง่วิตรขนของไม่พระนี่มาทําบาป ของไปสไห ว, วพระทำบุญบาปทำให้พระขิเกียร่ร้อนหน่อยก็ไม่ได้หนาวหน่อยก็ไม่ได้ <c oughs> อัน่นพระพุทธเจ้าสอนในพระอยู่ธรรมชาติให้ธรรมชาติโดยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดตัรูพระพุทธเจ้าอยู่กคนต้นไม้ นี่ไม่รู้อะไรเลยไปขอทานญาติโยมแต่พระก็รวยกว่าญาติโยมขอทานกับโยมสิพระรวยกว่าญาติโยมน่าละอายไมม น, นก็รวยกว่าหมากพระกว่ามาก <c oughs> อะไรเดียวโยมมาให้ร้อนโยมมาให้หนาวโยมมาให้ ต้อง <c oughs> ให้อะไรเป็นทานให้บุญให้ทาเป็นทานในอันิสงองเราธรรมะให้พระบ้างสิธรรมะก็คืออะไรธรรมะคือของเบาให้พระได้อยู่เบาๆมันยากตั้งแต่ขนมาแต่ยากมาให้พระอีพระยากคือดูทางหลังแน่นไปหมด นี่มีก็จะวางแล้วใช้นิดเีหน่อยท้งใช่นิดเห น, น, <c oughs> น่อยทิ้งให้มาตัวเบาให้มาตัวเปบาไปวัดไปเบาบุญคือของเบาแต่ได้บุญก็ไปเบาเบาเบาทั้งกายด้วยเบาทั้งใจด้วย นี่ก็นักกายนักใจโอ้ยเจ้าไปทั้งหดายน้อ ก, อกนั่นเห็นบ่แล้วก็ขนมาขนมาใครก็ขนแต่ของมาให้ค่าไฟใครจ่ายค่านู่นค่านี่น้าเหมอือนกันน่ะน้ำอยู่ในก๊อก็ไม่อยากใช้หลวงชามันก็ทั้งเมืองไทยก็ <c oughs> ไม่มีน้ำน้ำมาจากกะติดบมาฟัง น, นโอ้ทำไมไม่ออก <c oughs> มาใส่ถังราคาแพงแพงถังสแตนเลสยมเอามาถวายเพื่อใช้ราคาถูกถูกถ้าถังเหล็กก็ว่าขึ้นสนิมถ้าถังปูนก็ว่าเป็นโรคโ น, โน่นโรคนี้เอาถังสแตนเลสมาให้ขี้เกียจกองฉัน เหนียนไม่ประเทศไต่ทำไมก่อนนั่มในเบาไปนั่งเฝ้าเอากวจะได้มาทานหามข้ามบ้านข้ามคองไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่รู้กว่าววจะได้มาฉันอยาดองกว่าจะได้มาหนึ่งเขา่าหนึ่งหน้าก็ไค่อยเฝ้าเอาออมันซึมออกมาเอาขันไปป่อยเตี้ยเอา เห็นตายเราทุกเมือ่อไปจากเรืน้ำบาดาลจ้อไห้แล้วก็จีค้านโยกเอาไปมากก ห, ห้เครื่องสูบขึ้นมาให้เอาไปมากกับบดน้ำบาดาลไม่สะอาดว่าไป <c oughs> น้ำขวดพระติต๊กก็ไม่อยากฉันเราเดี๋ยวนี้ต้องขวดแจ้วขวดตาสิงไปหนุ ไม่ล่ะพานิยมไปเงินลายใช่รายจ่ายตายวันวันละสองร้อยสามรอยไม่พอใช่แล้ะพอใช่อะไรไม่เอามารับประทานไม่เอามาใช่ที่เป็นประโยชน์เอาไปใช้สุ่มสี่สุ่ม5้าเททิ่ง <c oughs> ทำไมก่อนการนำํำถ้ามอลูกใหญ่ก็กองเอาครึ่งกา เพราะหน้ามันเราไปใช้อาหารฉันพร้อมอาหารเราควรจะเป็นเศษเป็นเด่นก็จะฉันหมดพอดีอย่างประเทศไทยตรัไก่อนาขายตามรถไฟก็กีมห น, น, นึ่งหลึงหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วถือว่าทุกยากมันไปหาขายนำน้ำรถไฟรถ เห็นว่าเราดูดาฟุ่มเฟวอยบนกันอยู่นี่มาที่นี่ก็ดูดลาฟุ่มเวยม่วนกระดาษเราดันน้าจยดนอย่อยน้อยม่วนเอาเป็นม่ว น, นเซ็จอ่ะ <c oughs> ผ่าไปจากใส่แล้วเส็จสิ่งเสร็ของเอา ก, กระดาษําละกระดาษําละค่าขนกระดาษชำระไปทิ่งราคาเท่าไหร่มีใครคิดร้างไหมละ่ะ เมื่อเอ็ดดอกเ่เอ็ดดอก่เ็ดแล้วของระพุทธเจ้าของเามีอะไรยั่งล่ะโยมมาแลกเกาบุญพระมีบุญให้หรือยังล่ะนั่นเพราะฉะนั้นโยมมาทำบาปให้พระมาขอบาปกับพระใครอยากได้หรือบาปนั่นแต่าพระกี่เจียก็เป็นบาปเล <c oughs> น้ำกองใส่วัสเป็นกองสันบัเป็นใส่กระดาษตะกอนผ้าเส้นหนาผื้นเดียวเสร็จทั้งมือเสร็จเครื่องนี้ยังเปลี่ยนได้กระดา้วนั่นก็ไปซักเอกกับวเปืองบนขยะตัวผาวันนีขยะอีกตั้มวัเปล่งกระดาษอีกตั้มลองถานกับว่าได้ใส่น้ำไหลาขึ้นทรงมือนี่ใส่บังโอ มีไฟ้ hora, ัดพืนถ้าไม่แห้งถือไปนั่งกับ ป, ป้ากับรงถือไปนั่งกับำบังฐานพระตำมะฐานพระตำบังฐานไม่เหมือนทุกวันนรู้หลาทำาไมโยมรู้หลาพระกเลยหวาพระมาบวชก็มาจากโยมเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีเพศแตกต่างจากกลือหัดแล้ว กิริยาอาการกายวาจาใจสิ่งใดอันประชิตควรประพฤติเราต้องทํากิริยาอาการนั้นๆอยากว่าบทนี้เรามีเพศแตกต่างจากขลุหั์แล้วกิริยาอาการกายเหตุทั้งใดวาจาเหตุทั้งใดใจเหตุทั้งใดสิ่งใดบันประชิตควรประพฤติเราต้องทํากิริยาอาการนั้นๆ ความเลี่ยงขีปของเราเนื่องด้วยผู้อื่นจงทำตนให้เขาเลี่ยงง่ายน่าเบ่อมียอมน่นเฮ้ก่อนไปหามใส่โอ้ยไปหยาดน้ำสั่งกูน้ำผู้น้ำเขาโอ้ยมึงนี้จะมาเรีนน้ำเลยเด้ขอขอกินตะกร้อนขอกองไปใส่ก่อนเด้อปี่นัยเอ้ย ขอลองน้ำต่างสร้างต้รูจ้จากภาษาวาะละจิตใจของพระจนด้วยถ <c oughs> อา่อยมากขวนกว็บอมากขวนเอาไปเเตรียมรอมันจังมากาคนในเลย์ยังไม่ฝึกเลย <c oughs> นี่ยังดีเลยบางคนหลุกขนดอกไม้ ท, ทุบเทียนมา กรมดอกไม้ก็ราคากรมเป็นระจีเหรียงก็มีรูกมากองมาเนินเพลินพฤกษ์ยิ่งวันศิลวันพะวันจูด์วันสำคัญสำคัญขนมาเอ๊ะมาเนินเพลินพฤกษ์พระไม่รู้จักว่าเป็นบาปเพราะอะไรเป็นบาปเพราะไปบอกโยมเอาดอกไม้ทูบเทียนมาบูชา มันพระแล้วเอาดอกไม้มาบูชายมผมกบอกเอามือหันเข้ามาวัดนาะประนมมืองามๆประนมมือขึ้นให้เป็นดอกบัวกาบงามๆกลาวคำบูชางามๆยินาสกาเดนะเสียงดังฟังชัดเดี๋วนี้สันทบาทยินาสกาเดนะอยู่ไหนฝุ่นเสียงโจมเสียงต้าจะตึงยินถ่วงบ้านขวเมือง ไม่พยายามไปทำบุญจะได้รู้ว่าไปวัดไปทำบุญไม่ใช่มาวัดมาทำบาปใจนะบุญคือของเบาเบากายเบาใจพระก็เบากายพระก็เบาใจถ้ า, าไปทิ้งเดี๋ยวก็หาว่าถ้ า, าไปทานก็หาว่าพระเอาไปตราวายพระทำไมไปให้โยมทำให้โยมได้บาป กินของสงฆ์ใช่ของสงฆ์น่นเห็นว่าหรอถ้าไม่รู้จักก็เอาไปแกงย่มก็ได้หรอกแกงคนทุกคนหน้าแกนักหลอกนักเรียน่ว่าได้เอาเขามาถวายไม่ใช่ว่ามาถวายให้นักเรียนได้นั่นถ้าเจตนาคำของลุงปู่ใหญ่นะจะตูวัติเยอะแยะแต่ลุงปู่นะลุงปู่ปบาลมาขออ๋อเขาไม่ได้ถวายว่สาสั่งลงบานได้ ขอตวายมาบำรุงพระพุทธศาสนาน่ะเห็นไหมหรอตอ น, นนี้มรดกของหลวงปู่ก็เกือบจะพันล้านแล้วแต่ไม่ให้ไปทำอย่างอื่นน ะ, ะช่วยเหลือพระอยู่สูงแม่คีอาพาดอย่าแพ่ได้ป่วยผล <c oughs> ิขันไม่มีแต่เมืก่ก่อน ผ่านุ่งผ้าห่มมันไม่ค่อยมีเหมือนทุกวันนี้สิ่งที่จำเป็นสำหรับหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมที่ช่วยเหลือนี้ตามเจตนาทำตามเจตนาของโยมถ้าเกี่ยวแก่ทางพระพุทธศาสนาใช้ได้เอาดอกผลไปใช้ได้ถ้าไม่เกี่ยวข้องทางพระธศาสนา หลวงปู่ไม่ <c oughs> นิยมทยําเจตนาของญาติโยมตามเหตุผลเปน็นอย่างนั้นนะ <c oughs> ไปส่งเสริมให้นักเรียนส่งเสริมไปส่งเสริมมากเรื่องเรียนก็ขี้เกียจแต่เมื่ก่อนห่อเข้าไปกินเด้อยดิกินโรงเรียน่นะถ้าเขาอาหารไม่พอก็หาว่าอย่างนู้นหาว่าอย่างนี้นมมาให้หาว่านมบูรนมอะไรไปอีก <c oughs> หาเรื่องจุ่งไปนั่นเห็นไหมควของเจ้าตนนั่นแหละพี่เตี้เืองของตนไม่ได้เฟืองตนเองสัญญาเงะนายหลวงเฟืองจะนายหลวงน้ำก็นในหลวงเข้าอยู่เข้ากินอาหารก็ น, นหลวงนหลวงเวลาและ ล, ะลึกถึงนหลวงไปจจดทุบจุเทยียนใด้นหลวง เวลาฝนตกมากน้ำท่วมตั้มไงมูลนิธิคงในหลวงเวลาฝนแดงฝนเทียมนในหลวงเอาดอกไม้ทูกเทียนไปซื้อเพื่อมาทำฝนเทียมได้บ่างหรือทำอะไรไม่คำนึงถึงความได้ทำอะไรลงไปคำนึงถึงความได้ย่าคำนึงถึงความเสียแต่เราไม่มีปัญญาว่าได้หรือไม่ได้ขอให้ถูกจิเนต หนึ่งถูกใจสองถูกต้องมั น, นทำทานด้วยการถูกต้องจะทำทานด้วยความถูกใจนี่ส่วนมากเพียแต่ความถูกใจเห็นไหมเอาน้าโพชนาอาหารเรียนเป็นแถวอยู่นู่นใส่บาตรเท่าไหก็เทออกให้บาตรเท่าไก็เทออกก็แจ้งกันใส่ <c oughs> คนเราชอบยุ่งแต่เครื่องจุงจุ้แต่อาหารใจไม่ทากันทาอาหารกายสังขารหน้ากายเ่อนแล้วแก่เจ็บตายสังขารหน้ากายไม่เที่ยงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือใจรู้ไหมในตัวของเรามีสองอย่างหนึ่งกายสองใจ เคยดูใจไหมทีนี้เคยแต่งใจไหมเคยให้อาหารใจไหมอาหารใจคืออะไรคือลมถ้าไม่มีลมใจก็ไปแล้วลมเข้าไม่ออกใจก็ไปแล้วลมออกไม่เข้าใจก็ไปแล้วนะเคยให้อาหารใจไหมเื่นขึ้นมาวีผมแต่งหน้าเขียนขี้ว่าตาท่าเล็บ เมื่อกี้นี่เราไปร่านผ้าเล็บไปดูลูกทำเล็บมือโ อ, อ้เล็บมือเล็บเดียว3ามสีสีสีเฮ็ดยังแน่นั่งปุกขนตาไม่ผมว่ามันเขาปุกขนผีมาติ๋เพราะเขาแนวอื่นเฮ็ดด อ, อกเฮ็ดขนใสก็ไปหาขนขนผีขนค น, น, น, น, นตาย เดี๋ยวก็ตาอักบฟันก็คือกันเดี๋ยวมืออักเสบไป่าเราไปหาเรื่องเดี๋ยวก็ทำให้ผิวหนังก็เก๋สวยงามจากนั้นอย่างนี้เดี๋ยวก็ผิวหนังอักเบเนื้อหนังอักเบเดี๋ยวเราแสหาเองเพราะลองกันเป็นเรื่องเป็นเรายุ่งกันยังดีจมูกไม่ดีไปทาใหม่ดีปีนี้ประเทศไทยไม่ได้โซกับมูเพราะ ฝุ่นเยอะถูกใจหลวงพ่อเด้อไม่ได้โชว์จำพวกไม่ไปแต่งมามาๆเราพิจารณาเครื่องปิดจำพวกน่นะนะมันที่ฝุ่นเยอะปีนี้ประเทศไทยเห็นไหมขึ้นทั้งเหนือ ก, กับฝุ่นควันอะไรเท่า อ, อะไรกลับมากรุงเทพฝุ่นเยอะแยะว่ะอย่างคนต่างประเทศเนี่มันอากาศของเขามันเย็นไม่ค่อยมีเยอะ อากาศงหายหายใจเข้าหายใจออกสบายตใจโอ้ยไม่ได้เอาห้องแอร์ตามดแอร์ก็เป็นพิษเป็นภัยนำาแอร์แคนได้โรคเขาก็ว่าสบายมันเป็นพิษเป็นภัยนำยาแอร์ไม่ไม่ใช่ธรรมชาตินี่ธรรมชาติเย็นๆสูรรอบอสำสบายเห็นล่ะ บอกแมื่อีก็ยังไม่อยากจะกลับประเทศไทยอยู่ชอบความเป็นอิสระเป็นธรรมชาติดูธรรมชาติเยนสบายไม่เดือดร้ <c oughs> อนเลยยมจะมาแต่ปรุงแต่งให้จังนนให้จังนี่หาเรื่องมาให้ยุ้ง <c oughs> ในเรื่องของโลกิยะมีแต่ยุง่งฟกันจะไปเที่ยงการภาวนาเน่นหนักความสงบ ต่างคนต่างดูตนเองอย่าไปดูคนอื่นถ้าไปดูคนอื่นมันเกิดเจเลดมันทําให้ว่าตนดีคนนั่นก็ดีกูดีคนนั่นก็กูกูกูดีกู ด, ดีดีแล้วมาเกิดทําไมทําไมไม่มีปัญญาถาด่ามันเล่า ที่แล้วมาเกิดทําไมนั่นคำของพุณเจ้าคุณเจ้าสอนให้ปฏิบัติทำหาศีลหาธรรมแทบล่มแทบตายมาสอนให้คนปฏิบัติทําตามคําสอนของคุณเจ้าไม่ต้องมาเกิดหรือทอดจะเกิดเผาตะบพกเกิดอยากว่บ่อเกิดอ่ะวันนี้อยากบ่อ เ, เกิดก็เกิดจุงสั้นแหละเมื่อเวลาไม่เห็นคนเป็นจริงของคุณเจ้าสอนแล้วก็ ชอบแต่เรื่องเกิดจากดับความเกิดแป๊บเดียวหนึ่งนาทีสองนาทีก็ดูลมเข้าลมออกไม่มีเกิดหยุดดูลมหล้เกิดพอมาเห็นก๋วต้มขนมโลกเห็นเขาใส่ท้องใส่โก้ให้เจ้โลกเห็นเขาสวยงามโลกแต่สวย ง, งามหามาตกมาแตงตัดมาแปลงปลอมปลอมหลอกคนแดงไปหลอกผู้อื่น โลกนี้อยู่ด้วยความจอมปลอมถ้าเอาจะโลกียะมาใส่เอาโลกุตละมาใส่ยังจะเป็นรู้ว่าปลอมเป็นยังไงจริงเป็นยังไงนะมีวัดสําหรับเพื่อซักฟอกจิตใจทางโลกเขาซักฟอกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องห่มสังขารร่างกายระบูอะไรอะไรเจอะแยะแต่ซักฟอกจิตใจ ความสงบให้ใจสงบนั่นถ้าสงบเกิดสติเกิดปัญญาสักพอกจิตใจก็ใสสะอาดสัวสงบสงบเรามันไม่สกปรกถ้ารักถ้าโลภมันสกปรกตัวสกปรกเต็มไปด้วยความรักความโลภใจสกปรกนะกถ้าไม่มีสมาธิสักพักมันก็สกปรกฉันดักรักฉันดักรวยฉันดักรักฉันดากรวยฉันดักสวยงามนํามาหาแต่เรื่องมาตนเองนะ รวยมาเราก็มักโชวสวยงา ม, มาแล้วก็มาโชว์หาทิพหาไทยมาใส่ตนเองแต่ไม่รู้คนในโลกก็เพราะไม่มีธรรมะเป็นเครื่องส่องดูมีแต่เอากระจกไปส่องดูมีตาตานรอกไปส่องดูไม่มีตาทิพฟังอะไรก็มีแต่งูตะล็อกงูกระทะไม่มีหูทิพ พยายามแน่หนักโดยเฉพาะเวันนี้ก็ ว, วันอาทิตย์ออกไปได้จองลูกหลานทั้งไกลตางไกลที่ไหนไกไกลไกลก็มาเพราะฉะนั้นอ ย, ๆๆายอา่าลืมามามาวัดมาทาบุญเอขนของมาให้ยุ่งหอบสงข อ, งของมาหลวงปู่ไม่ดีใจถ้ามาตัวเปล่าหลวงปู่ดีใ จ, จมากราบลงนามมาวดมนต์เต็ดัง เวลาหยุดสวดมนต์นกนั่งสงบสงบจะไปคุยกันทางโลกเรื่องโลกไม่เข้าใจหรือภาษาอีสานของในจะนํำออกของนอกจะน้ำเขานี่ของขรามเขาวัดจะเอาออกไปใช่ของสงเป็นบาทรกมันลกจักหมอพุ่นนี่ใล่ะ ขอเนี่ยว่าอึ่อยากหลงปู่ของหลายแทะคุณเห็นบา่าหร่ะไห้ได้แต่ลึกๆลือกผมได้บัดเพราะฉะนั้นหลวงปู่ใจญไม่ขอไม่แจ ก, กของเลยคนเนาะออกตอนเย็โยมมีงานเยอะๆคนเยอะๆหลวงปู่เอาขุถังมาแกะโยมนะมันไหลมันบปนี้บนเจ็บเขาเขาห็ว่าแจกโยมดนเขาไม่ให้พระใสมันเอาหมาืเราหลวงปู่ของเราดีกว่าคนเราแต่เย็นบ่าห่ะ โน ม, มาหลายแต่หลวงปู่ทับอางได้แล้วนันเ n มาแอกของเ o w าดียกว่าค น, นาอ่าประวัติลงปู่เป็นสมัยเป็นครูแล้ว่ เ, เมื่อเปนนามาบอเอาหยังมาต้อนลกเรา้ามอ่พอไปแล้วแม่มาแล้วปว่าแลนเขาทุ่มืงอนเดียเอาตอของไปต้อนอาหยังมาต้อนอาหยังมาาหยังมาฝากแต่เนี้บ่ได้คนยาม เาแต่เรื่องยุ่งเห็นว่ า, าอะไอความกว่าจะงามดิบ ไ, ไปไปค่านิจมไปผิดผิดเนเพี่ยนไปเล่ยเนี่ั่นานิจมแบบโลกิยะมันไปที่ไม่ถึงไหนหรอกฟังคำของกุญเจ้าไปวัดตายวัดวาจาวัดใจนั่นเรียกว่าไปวัดไม่ใช่ไปบ้านนะคนมีปัญญาเราไม่เอาออกไปของนอก เปคนโบราณไปวัดโอ้ยคนตอผู้แก่บอกบอกว่าเขาคนบาตตัวนก้กินไม่ได้ของเราจิตจีนเราใจบุตรคนจุ <c oughs> ตั้งขอนแจนนะไปยุ่จังหวัดเลยคือเป็นแ้วออกวัดจำถิ่นบารีขาดแต่วล่าพวกกินเขาของน้ำวัดของเศษแล้วพ่อไปกินของเราตั้งหาก <c oughs> แบงไว้ตั้งหากกู น, นั่นเราควร ม, มีฮิมีความเกรงกลัวร่ออายต่อปากนั่นแหะพระเจ้ายังสอนของในจะนําออกของนอกจะนําเข้าไปเรื่องโรคโรคจะนําเข้ามากวนวัดสิ่งความก็เหมือนกันอารมณ์แบบเสียงโอดเสียงจ่าโรคโรค ก, ก็ยามมาโอดในวัดถ้าพูดเรื่องทำไม่เป็นไรสวดมนต์ไหวพระไม่เป็นไรตสวต่อไป ไปพูดเรื่องกูดีมึงดีอย่าเอามาพูดคนนั้นร่ำรวยคนนั้นสวยงามคนนั้นทุกข์ยาคนนี่ร่ำรวยเ อ, เอามาพูดในวัดพระเจ้าเข้ามาในวัดเสมอกันเ <c oughs> นี่ยนะเราขาดอย่างเดียวคือเข้าวัดไม่ทำบุญพระไม่เน้นหนักสอนทำบุญย้อมาอะไรถวายตั้งการทานเจ้าข้าทุกข์จุดเทยียนถบายทั้งการทานตัวน้ำยอม ไปดูจากสิบวัดจะมีวัดไหนบอกทาบุญโดเฉพาะประเทศไทยลองไปดูฉันไปทาบุญสิบวัดหลวงปู่ฉันทอดกระถิน1สิบกองหลวงปู่พระคุณพระเห็นที่ไหนจุดทูกจุดยานถวายกระถินตรวจน้ำนี <c oughs> ่ท ไ, ไมถูกต้องนี่สอนให้คนหลง เจ้าทั้งเวรเหงื่อไหลมันจิคำเมาตะพัวปากว่ามันจะสร้าคําท้างนะพุฒิเจ้าสอนอย่างหนึ่งพระก็สอนไปอย่างหนึ่งก็พระไม่ทําตามคําสอนของพุนเจ้าผลสุดท้ายก็หลงพระโยมหลงแทนที่จะเดินตั้งตรงก็อ้อมไปเสพผู้ไปหาจุดถูกจุดเยนไปหาตรวจหน้าไปหา <c oughs> ดอกไม้แน่นนี่นีน่คุณ เท่ทังเวรบอกพวกว่าท่านนั่นนั่นพวกบอกว่าซาท่า น, นที่พู้เดินตรงไปบพมีของเราไปฮอดสวรรค์นั่ได้หรอกอีกพวกหนึ่งกับเม้าตะเปล่ากว่าอยู่เพราะฉะนั้นย้านะคำสอนของพระเจ้าจึงบอกว่าพระเจ้าตัรัสรู้แล้วทำที่เราจะถาคตย้าที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้นะนนทั้งทั้ดูลมหายใจเขาออก นั่นทำไม่ได้เอ้าใครก็มีวัดพระจักเพืรรดิใครก็มีวั ด, าศาศา อ, วดอยู่วัดไหนก็มีวัดพระบอกว่าไงบอกให้ดูลมไหมบอกให้รักษาใจไหมบอกให้เลี้ยงใจไหมบอกให้แต่งใจไหมนั่นแล้วเลยบอกกับหลงไปด้วยกันไม่ใช่ตาหนินะเอาเหตุผล เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดรู้ฟังพอแม่หลวงปู่พาลูกศิษย์ลูกมาทําตามคําสอนของพระเจ้าได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าได้ดูได้รู้ได้เห็นแล้วจึงมาสอนคนอื่นฝึกตนได้แล้วจึงฝึกผู้อื่นสอนตนได้แล้วจึงสอนผู้อื่นพิาจารณมแขกอยู่ที่อินโดนีเซียถามว่าเขาทํางานอะไร เป็นครูฝึกสมาธิที่นี่ผู้ฝึกทรรมาธิเป็นไหมหลังจากนั้นแกเลยหยุดเลยแกเลยไ ม, ไม่สอนคนอื่นเลยสอนคนอื่นมันสอนได้แต่สอนตัวมันสอนยาก เื่อให้พุ่มกุศลนกตนได้ยอมมุ่หลันงได้ติพี่น้องเสียสละมาตั้งไกลตัางไกลวันถิ่นวันพระวันจุตก็ดีเสียสละมา ท, ท, ทมา ท, ทานถวว้พระนั่งสมาธิทำบุญจิตใจเป็นสมาธิน่นบุญกุศลส่วนวนี้บุญกุศลของคุณพระคุณเจ้าคุณประทมคุณประโสนิจกันจทัง้งหลายสุนีสาวคนนรกนี้จงมารวมกันจ ง, งประก อ, อกประกอบษาออากันได้ยอมมุ่งหลันงได้ติดพี่น้อง มีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุ ก, กโศกโรคภัยการงานจึงใดการเงินจึงได้ปัตนนิสนะจึงหนึ่งอะไกรกต่จงสาเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะใน ห, หลักคำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จงมีดวงจิต ด, ดวงใจได้เห็นสินเห็นธรรมเห็นสวรรค์เห็นปณิพนัชในปัจจุบันในชาตินี้จน